280ทรส่งท้ายบทจบกันด้วยความเป็นจริงที่ไม่มีเท็จความจริงต่อไปนี้ที่จะต้องพูดตรงๆนี้ก็ต้องขออภัยกันจริงๆความแท้จริงที่จริงแท้ก็คือกลุ่มพุทธกระแสหลักไม่มีตัวอย่างของความพ้นทุกข์่อรรยสัตว์นั้นๆเลย ศาสนาพุทธจึงไม่มีพุท ธ, ธาสาระเนื้อแท้ของพุทธกันแล้วผู้มีธรรมะคือนักการเมืองที่ช่วยบ้านช่วยเมืองแท้จริงอยู่ในสังคมมนุษย์ตลอดโลกแต่ก็ไม่มีใครไม่เชื่อที่อาตมาพูดก็ไม่เป็นไรว่าผู้มีธรรมะคือนักการเมือง ที่ช่วยบ้านช่วยเมืองแท้จริงอยู่ในสังคมมนุษย์ตลอดโลกแตกสำหรับอาตมาขอยืนยันในสัจจะเนื้อหาความเป็นจริงนี้ซึ่งดูได้จากความเป็นจริงในเมืองไทยยุคนี้ว่าผู้ที่คนไทยเลือกขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ผู้นำของบ้านของเมืองก็ดี ผู้ที่เคยใหญ่นานมีปัญญาเลือกผู้มีธรรมะของประเทศก็ดีแสดงความจริงให้เห็นถึงมิจฉาทิฐิกันทั้งคารวาดและพิสุตัวแทนธรรมะของพุทธยุคนี้ว่าการเดินทางของจิตปิญญาณของท่านนั้นไปไกลอย่างจริงใจจริงปัญญากันขนาดไหน ถึงขั้นผู้ที่คนไทยเลือกขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของประเทศและอีกทางผู้มีธรรมะคือนักการเมืองที่ช่วยบ้านช่วยเมืองแท้จริงก็ได้สร้างเหตุนิทานสมุ ท, ทยปัจจัยที่แสนอนาดใจขึ้นให้เห็นเห็นกันอาตมาไม่ได้หาเรื่องนะ นี้คือการศึกษาที่เป็นปรากฏการวิทยาอันควรศึกษายิ่งเพราะผู้ชื่อว่าน่าจะมีธรรมะแท้ๆยังเป็นนักการเมืองให้แก่ผลลเมืองไทยแก่เมืองไทยไม่ได้เลยหรือได้ก็อย่างที่เห็นที่เป็นอยู่นอกจากไม่ได้แล้วยังพาให้เกิดความตกต่ำของศาสนา ซึ่งก็คือความเสื่อมนั่นเองเกิดและเป็นจริงอยู่ในบ้านไทยเมืองไทยอีกด้วยซสอแสดงให้เห็นธรรมะของพุทธที่มีอยู่ชัดเจนสุดๆการช่วยของผู้มีธรรมะยุคนี้ก็ดูเอาเถิดผู้เคยใหญ่อดีตหัวหน้าเบอร์หนึ่งของผู้บริหารบ้านเมืองทุกแสนสาหัสเสาะหาธรรมะบำบัดทุก ไปขอความช่วยเหลือจากผู้มีธรรมะของพุทธยุคนี้ธรรมะที่ได้ก็ได้แค่ช่วยสอกเคราะห์ให้ด้วยวิธีเดรัจฉานวิชาสารพัดแบบและปลอบปรมกันด้วยเดรัจฉานกฐานานาอันไม่ใช่เนื้อแท้ของการบำบัดทุกข์อย่างเป็นอริยศัสตร์ความจริงอันประเสริฐแต่อย่างใดเลย ชาวพุทธไทยเอ่ยเห็นเดรัจฉานวิชากันบ้างไหมได้ฟังเดรัจฉานกถาการแล้วไหวทันกันบ้างไหมเอ่ยมีแต่ดดรัจฉานวิชากันทั้งนั้นในวงการศาสนาพุทธทั้งผู้รู้และภิกษุที่พูดที่สอนธรรมะทั้งพิธีกรรมทั้งการศึกษาพาคนไทยพุทธสุดเสื่อม ไปไกลจากความเป็นพุทธกันขนาดไหนแล้วเพราะพากันพ้นทุกได้แค่สุกปัจจุบันอันเป็นสุกเทศของโลกียะแท้ๆศา ส, สนาจึงไม่เป็นที่พึ่งอันกเกษมได้แท้จริงเลยมีอะไรเป็นหลักให้แกประเทศได้กันบ้างไหมในวงการศาสนาพุทธปัจจุบันนี้ ถ้าไม่เดรัจฉานวิชาอย่างสุดๆก็มีเดรัจฉานกะถาสารพัด ท, ที่จะสรนมาชื่อว่าคำสอนหรือคำพรานนั้นกันเลยซึ่งประชาชนคนไทยก็พาการหลงผิดไปอย่างงมงายว่านี้คือคำสอนหลักธรรมของพุทธที่จะพาพ้นทุกข์อาิยสัตว์ ตามที่คนทั้งหลายเป็นทุกข์กันอยู่จริงทั้งนั้นก็มีอยู่บ้างที่สอนหรือมีคำพรอันเป็นการยัญธรรมซึ่งเป็นโลกียธรรมที่ดีก็ดูดีอยู่บ้างก็พอช่วยแก้ไขให้พ้นทุกข์ได้บ้างตามแบบโลกีย์ซึ่งทุกศาสนาเมยไม่ใช่ศาสนา ผู้รู้สามัญทั่วไปก็ช่วยพากันให้พ้นทุกข์สามัญโลกีแบบนี้กันอยู่ทั้งโลกนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่โลกุตระมันไม่ได้ช่วยแก้ทุกข์ให้ได้พลนทุกข์อาิยสัตว์อย่างสัมมาทิฏฐิทุกข์อาิยสัตว์นั้นคือทุกข์ที่หลงสแสวงหาโลกียารม์ หรือหลงสะสมโลกีธรรมกันไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเท่านั้นมันไม่มีความจบจริงมันจบไม่ได้จริงๆผู้พ้นทุกโลกีคือผู้ได้บำบัดอารมณ์เวทนาที่กิเลสมันต้องการเมื่อได้บำบัดหรือบำเลโลกีธรรมลาบ ยศสรรเสริญโลกีสุกนั้นก็ได้พ้นทุกข์กันไปอย่างโมหะในแบบบำบัดอารมณ์โลกีกิเลสได้บำบัดบำเรอกิเลสมันก็ยิ่งอ้วนยิ่งโตยิ่งมากยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นปุถุชนกันยิ่งยิ่งขึ้นกันไปอยู่เท่านั้นเอง มันไม่ได้พ้นทุกข์ยิ่งมันยิ่งทุกข์ทับสมตนหนักเข้าไปหนักหนาสาหัสต่างหากพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนนักหนาว่าอย่าทาทุกข์ทับสมตนที่มีทุกข์อยู่แล้วหนักหนาการแก้ทุกข์แบบนั้นก็แค่ได้เสพสุขเทศสุขคลิกะดังได้พูดมามันไม่ได้พ้นทุกข์มันแค่เอาสุขเทศมาหลอก ว่าทุกข์หายพ้นทุกขะโลกีจะไม่ใช่สัจจะของการพน้พนทุกข์พ้นทุกขะอาริยศาสตร์จึงจะเป็นการพ้นทุกข์ที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าประทานความรู้ของพระองค์มาให้ที่เป็นโล ก, กุตระแต่เพราะพุทธปัจจุบันนี้หลงเสพสุขในปัจจุบันเป็นบรมสุข คือนิพพานางประมังสุขังในทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิกันไปเต็มวงการพุทธศาสนากันแล้วโดยเฉพาะพระมหาสาลทั้งหลายที่ในสมัยพระพุทธเจ้าก็เยี่ยงเดียว ก, กันกับพระมหาสารในยุคโน้ น, นั่นแหลประชาชนคนไทยจึงงมงายเต็มไปด้วยเดรัจฉานวิชา ในวงการศาสนาพุทธพูดกันเป็นเดรัจฉานกถาหนักหน้ากันเป็นสามัญยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเป็นศีลออกมาให้แก่ศาสนาพุทธซึ่งต้องเว้นขาดเวรมณีกันจึงจะเป็นเขตบุญของพุทธแต่ทุกวันนี้ศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างสําคัญนั้น วงการสงไทยแท้ๆก็ไม่มีศีลนั้นกันแล้วซ้ำามินำและเมื่อศีลที่ท่านให้เว้นขาดนั้นสิ้นแล้วน่าสงสารประเทศไทยจริงๆศาสนาพุทธอันเป็นหลักหนึ่งในสามเป็นหลักปักอะไรไม่ได้แล้วแม้ในวงการเมืองของชาวคราวาสก็ตุบ ป, ปัด ต, ตุเปมาถึง83าปีแล้ว ขณะนี้ก็เพิ่งจะมีถ้าว่าจะตั้งตัวตั้งหลักขึ้นมาได้ก็คงจะต้องขอให้คณะการเมืองไทยที่คนไทยกำลังฝากความหวังไว้ในปัจจุบันนี้นี้แลช่วยปฏิรูปาศาสนาให้แก่ประเทศไทยด้วยเถิดจะเป็นการช่วยที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยจริงๆ ได้โปรดยาไปหลงฟังเสียงร้องครวญครางหรือเสียงขู่จากนรกเป็นแันขาดเสียงชาวนรกย่อมเป็นเสียงของผู้อยู่นรกเป็นของแน่นอนที่ยิ่งกว่าแน่ใดๆที่เสียงชาวนรกต้องร้องเมื่อเขาจะสูญเสียทรัพยากรและอาหารของสัตว์นรก ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเกิดพร้อมกับชาติไทยตลอดมานาลมหายใจเฮือกนี้ศาสนายิ่งอาการหนักกว่าการเมืองของประเทศไทยไปเสียอีกมันเน่าเฟะจนเฟอเลอะเทอะไม่เห็นกันเลยจริงๆนะหรือถ้าไม่ช่วยกอบกู้ชำระาศาสาความวิปริตผิดธรรมะกันคราวนี้ ไทยทั้งชาติหมดหลักยึดถือให้แก่บ้านเมืองต่อไปอย่างน่าสังเวชแน่กรุณาเถิดช่วยหัวใจหนึ่งในสามของบ้านเมืองด้วยอาตมาก็คงได้แต่ส่งเสียงตามประสากวางน้อยในป่าใหญ่ไปได้เท่านี้นี่ก็ได้พูดความจริงกันออกมาล้นหลากมากหลายแล้ว ใครจะว่าอาตมาพูดผิดและเอาผิดอาตมาก็ต้องยอมเพราะนี่เป็นความจริงใจของอาตมาที่อาตมาสงสารประชาชนประเทศชาติถ้าอาตมาจะผิดก็ผิดตรงนี้อาตมายอมทั้งชีวิตให้แก่มวลมนุษยชาติชีวิตนี้พิริยการตรงนี้ หากอาตมาจะต้องรับโทษผิดอาตมาไม่มีสิทธิ์จะห้ามใครที่รู้สึกไม่ชอบในความจริงนี้ย่อมมีคนเกิดอาการนั้นบ้างแน่แน